5. าอจเจละกาวัค 6. จาริตะสิกขาบทว่าด้วยการเที่ยวสัญจรไปเรื่องพระอุปนันทาศสักยบุตร2 9งยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคคุทธเจ้าประทรับอยู่หน้าพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครืครั้งนั้นตระกูลอุปถาของท่านพระอุปนันท h สักยบุตรยิมนท่านฉันพัหารแม้ภิกษุเหล่าอื่นตระกูลอุปถาของท่าน พระอุปนันท h สักยบุตรก็ได้นด้มนฉันพัฒหารครั้งนั้นก่อนถึงเวลาชันพัทหารท่านพระอุปนันท h สักยบุตรเข้าไปเยี่ยมเยียนตรกุลทั้งหลายลําดับนั้นพิกษุทั้งหลายได้กล่าวกับทายกเหล่านั้นดังนี้ว่าอุบาสกทั้งหลายพวกท่านจงถวายพัทหารเถิดพวกทายกกล่าวว่านิ่มนพระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดรอจนกว่าพระคุณเจ้าอุปนันท h สักยบุตรจะมาเถิดแม้ครั้งที่สอง ภิกษุทั้งหลายได้กล่าวกับทายกเหล่านั้นดังนี้ว่าอุบาสกทั้งหลายพวกท่านจงถวายพระตาหารเถิดพวกทายกกล่าวว่านิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดรอจนกว่าพระคุณเจ้าอุปนันทศักยบุตรจะมา <The> พอครั้งที่สามภิกษุทั้งหลายได้กล่าวกับทายกเหล่านั้นดังนี้ว่าอุบาสกทั้งหลายพวกท่านจงถวายพระตาหารเถิดก่อนที่เวลาจะล่วงเลยไปเสีย <Us> พวกทายกตอบว่าพระคุณเจ้าทั้งหลาย พวกโยมจัดพัะทหารเพราะเหตุแห่งพระคุณเจ้าอุปนันทศักยบุตรนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายโปวดรอจนกว่าพระคุณเจ้าอุปนันทศักยบุตรจะมาเถิดครั้นท่านพระอุปนันท h a ักยบุตรเข้าไปเยี่ยมเยียนพระกูลทั้งหลายก่อนถึงเวลาฉันพัะทหารแล้วกลับใกล้เวลาฉันภิกษุทั้งหลายจึงฉันพระทหารไม่ได้สมใจบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามพลทนาว่าฉนัยท่านพระอุปนันทศักยบุตร รับนิมนต์ไว้แล้วมีพัฒหารแล้วจึงยังเที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนถึงเวลาฉันพัฒหารเล่าครั้นพิกษุทั้งหลายตำหนีท่านพระอุปนันทศักยบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ